นั่งภาวนาผ่านไปแล้วนะ เ, าเราจึางค่อยมาทบทวนนั่งคิดทบทวนที่หลังทำไมมันเป็นอย่างนี้วานะหาเหตุนะหาเหตุท้าผลอ่าหลายครั้งต่อหลายโหด เ, เราก็จะรู้ได้วิธีการเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งขอให้พวกเราทุกท่านนะนั่งภาวนาน้านีนะ